ไม่มีเสียงเสียงมีไหมเสียงเข้าหรอือเปล่า อ, อากาศวันนี้นะมันแปลกผิดฤดู ฤ ด, ดูนี้ก็อาจจะมีฝนอยู่บ้างน ะ, ะฝนชอชอบมะม่วงนะแต่ว่ามันไม่เคยหนาวแบบนี้นทั้งชื้นทั้งหนาวผิดฤดูแต่ว่ามันก็มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาตินะมันผิดฤดูก็จริงแต่ไม่ใช่ผิดธรรมชาติ ในแง่ที่ว่ามันก็มีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เป็นอย่างนี้มันไม่ได้เกิดจากความอาเพศวิปริตอะไรแล้วมันก็เป็นธรรมดาของภูมิอากาศนะที่เรามักจะเปรียบเทียบว่าไอ้ความแปรเปรวนของดินฟ้าอากาศนี่มันเป็นเรื่องธรรมดา ถึงแม้ว่านานๆมันจะหนาวอย่างนี้สักทีแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดจากธรรมชาติสิ่งสำคัญก็ตรงที่ว่าใจของเรานี่แหละว่าเราจะดูแลจิตใจของเราไม่ให้วิปิลิตไปหรือเปล่า ธรรมชาติมันจะผันผวนอย่างไรแต่ถ้าใจเราปกติมันก็ไม่มีอะไรนะที่จะต้องเป็นห่วงบ่อยครั้งเนี่ยเราก็ใจเราก็ไปเพ่งไปที่ข้างนอกเจ็นอากาศมันแปรปรวนอย่างนี้กนะ็ จิตใจก็เลยผันผวนตามใจเราเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องผันผวนไปตามสิ่งแวดล้อมเมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยใจให้ผันผวนปรนแปรไปตามสิ่งแวดล้อมหรือว่าขึ้นลงไปตามภูมิอากาศเนี่ยอันนี้ก็เต็มตัวทุกได้เลยภนะูมิอากาศ สิงว่าล้อมันก็ขึ้นลงเป็นธรรมดาก็ให้เรามองว่ามันเป็นธรรมดาบ้างอย่ามองว่าเป็นปัญหาอะไรก็ตามถ้าเรามองว่าเป็นปัญหาแล้วเนี่ยมันก็ทุกเลยนะแต่ถ้าเรามองว่าเป็นธรรมดาใจเราก็ไม่มีอะไรที่ต้องห่วงต้องกังวล มันอยู่ที่มุมมองของเราเราจะไปคาดหวังให้ดินฟ้าอากาศเนี่ยมันเป็นไปตามใจเราหรือว่าเป็นไปตามวิถีทางที่มันเคยเป็นอันนั้นเราทำได้เราคาดหวังได้แต่ว่าจะไปบังคับให้มันเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็น ถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยเราก็จะทุกข์ทันทีเลยลองมองเชื่อว่าเออมันก็เป็นธรรมดาของมันนะมันมีคำหนึ่งคว่าตถตาเป็นเช่นนั้นเองธรรมชาติอากาศที่มันหนาวอย่างนี้มันก็มันก็เป็นเช่นนั้นของมันเองเพราะว่ามันมีเหตุมีปัจจัย อธิบายได้นักอุตุนิยมวิทยาเขาก็อธิบายได้ว่าทําไมมันหนาวแล้วเขาก็รู้ล่วงหน้าแล้วว่ามันจะต้องหนาวก็รู้ล่วงหน้ามาสองสมวันก็ประกาศทั่วประเทศไปแล้วนัคือมันมีเหตุมีปัจจัยแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นปัญหาเนี่ย ปัญหานันก็จะเกิ ด, กดขึ้นี่ใจของเราทันทีก็คือเกิดความทุกขนะ์นี่มันก็เป็นธรรมดาโลกนะดินฟ้าการก็เป็นธรรมดาโลกนะเราอย่าถ้าเรามัวแต่ไป เ, เรียกร้องให้ดินฟ้ากาศเนี่ยมันเป็นไปตามที่ควรจะเป็น แต่เราลืมดูใจของเราเราอยากจะให้ภูมิอากาศมันเป็นปกติแต่เราไม่ดูใจของเราว่าใจของเราเป็นปกติหรือเปล่าอันนี้เราก็ทุกข์นะคนเรามักจะมองไปที่นอกตัวแล้วก็ไปเรียกร้องสิ่งนอกตัวแต่ลืมดูแลหรือรักษาใจของเรา เราเรียกร้องให้บ้านเมืองไม่เลิกวุ่นวายสักทีให้บ้านเมืองกลับคืนสู่ปกติสักทีแต่เราลืมดูใจของเราว่าทำไมใจของเรานี้ต้องพลอยวุย่นวายฟุ้งซ่านไปตามสิ่งรอล้อมด้วย สิ่งว่ า, าผผล้อมผันผวนเราก็ปล่อยใจผันผวนตามอันนั้นมันไม่ใช่วิธีของนักปฏิบัติอากาศจะหนาวแต่ใจเราไม่ทุกนี่ทำได้นะอากาศจะร้อนแต่ใจเราเย็นสบายนี่ทำได้นะใจของเราเนี่ยมัน ไม่จำเป็นว่าจะต้องผันผวนตามสิ่งแวดล้อมตามภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมจะร้อนแต่ใจเราเย็นรอบตัวอากาศจะเย็นแต่ใจเราอุ่น น, น, นี่ทำได้หรือว่าเศรษฐกิจจะตกแต่ว่าใจเราไม่ตกตามใจเรามีความสุข เราทำได้น้ำมันมันจะแพงนะข้าวของราคาข้าวของเครื่องใช้มันจะสูงขึ้นนะแต่ใจเราสงบเป็นปกติทำได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ไม่ได้นึกเรื่องนี้เลยนะพอค่าพอน้ำมันราคาแพงขึ้น ถ้าของชีพสูงขึ้ น, นก็ปล่อยให้ความทุกข์เพิ่มขึ้นตามไปด้วยคือความทุกข์ใจ <c oughs> หรือว่าบางทีหนักกว่านะั้นคือทำให้ความดันสูงขึ้นตามราคาสินค้าด้วยคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะ <c oughs> ข้าวของแพงขึ้นความดันก็สูงขึ้นตามด้วยคือเครียด อันนี้ก็แสดงว่าเราเป็นทาสของสิ่งแวดล้อมเรากลายเป็นทุกข์เพราะถูกควบคุมด้วยสิ่งแวดล้อมอันนี้เพราะเราไม่รู้จักดูใจของเราแล้วก็รวมทั้งไม่ได้ไม่้ไม่รู้จักมองสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นคือเราคาดหวังว่ามันน่าจะดีกว่านี้ น้ำมันน่าจะราคาถูกกว่านี้ข้าวของเครื่องใช้น่าจะราคาถูกกว่านี้นะพอมัน ม, มันไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นเราก็ทุกนะอันนี้เป็นเพราะความคาดหวังของเรา คนเราทุกข์เพราะความน่าจะเป็นเพราะมันไม่เพราะมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่ควรมันไม่เป็นอย่างนั้นอย่างที่มันควรจะเป็นก็ทุกข์นะเหตเราอากาศอากาศนอยๆอย่างนี้นี่น่าจะมองว่าเป็นข้อดีนะก็คือว่ามันมาสอนให้เราเห็นถึงความความไม่เที่ยงสอนให้เห็นความไม่แน่นอน สอนเห็นถึงความผันผวนปลีนแปรของสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถจะบังคับควบคุมให้เป็นไปตามใจของเราได้หรือไม่สามารถแม้แต่จะคาดหวังให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ให้เรามองแบบนี้บ้างเพราะถ้าเราไม่มองแบบนี้เราก็จะทุกข์เราก็จะมองว่ามันเป็นปัญหา แต่ที่จริงธรรมชาติไม่เป็นปัญหานะไอการมองของเราต่างหากที่เป็นปัญหาใจของเราใจของเราต่างหากที่เป็นปัญหาดินฟ้าอากาศเขาก็เป็นอย่างนี้ของเขาอาจจะไม่บ่อยนักแต่ว่ามันก็เป็นวิถีทางของเขาฝนตกแดดออกมันก็เป็นธรรมดาของเขา แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือใจของเราต่างหากถ้าเรามองเห็นอย่างนี้บ้างเราก็จะได้หันมาสนใจที่จะดูแลจิตใจหรือว่าวางใจของเราเนี่ยเพื่อไม่ให้มันกลายเป็นปัญหาอีกต่อไป นักปฏิบัติเนี่ยเขาต้องรู้จักใช้ประโยชน์นะจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะแทนที่จะตีโพยตีพายว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้ทําไมไ ม, ไม่เป็นอย่างนั้นนะให้การตีโพยตีพายนี่มันยิ่งทําให้เกิดความทุกข์ซ้ําเข้าไปอีกคือกายก็หนาวแล้วเนี่ยกายก็ทุกอยู่แล้วเพราะความหนาว พอเราตีโพยตีพายแล้วไม่ยอมรับไม่ยอมรับความจริงใจเราก็เลยทุกไปด้วยหรือว่าทุกซ้ำสองกายทุกแล้วแทนที่จะปล่อยให้กายทุกอย่างเดียวก็กลับซ้ําเติมด้วยการทําให้ใจทุกด้วยใจทุกเพราะมันไม่ยอมรับนื มันไม่ยอมรับมันไม่สามารถจะมองว่านี่เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติงันก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าอาการหนาวกายหนาวแต่ใจไม่หนาวก็ได้ใจอุ่นก็ได้เราต้องรู้จักใช้สิ่งแวดล้อมนี้ให้เป็นประโยชน์ เมื่อกี้ก็บอกไว้แล้วว่าเออมันสอนเรานะธรรมชาติภูม้มีการก็สอนให้เห็นหนึ่งความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนก็สอนทําให้แก่เรานั่นเองและขณะเดียวกันมันก็สามารถจะฝึกเป็นเครื่องฝึกใจเราด้วยฝึกใจเรายัางไงบ้างอย่างต่ําๆก็คือฝึกความอดทนนะฝึกความอดทน แต่ว่าถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วนี่เขาไม่ได้หวังพึ่งความอดทนอย่างเดียวอันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ฝึกอย่างอื่นด้วยเช่นฝึกใจให้ยอมรับความผันผลแปรปรวนว่าเป็นเรื่องธรรมดารวมทั้งฝึกสติด้วยนะเมื่อกลางวันนี้เราก็พูดถึงเรื่องการการทำจิต เพื่อที่จะเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์หรือเพื่อที่ทำให้เรามีความสุขเราก็พูดถึงเรื่องการยอมรับความจริงเราพูดถึงเรื่องการปล่อยวางพูดเรื่องการมีสติพูดเรื่องการมองแง่บวกตอนนี้ก็เป็นเวลานะที่จะได้เอาสิ่งที่เราระดมความคิดหรือว่าสิ่งที่เราได้ ได้คิดเห็นเนี่ยเอามาใช้เอามาใช้ตรงไหนเอามาใช้ตรงนี้แหละเอามาใช้รับเมื่อความหนาวที่จริงพูดถึงความหนาวแล้วมันก็เป็นความทุกข์เล็กๆ น, น้อยๆเมื่อเทียบกับความทุกข์ที่เราเคยเจอเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องสุขภาพร่างกายเรื่องงานการเรื่องความสัมพันธ์ที่เราเจอมามันหนักกว่านี้ ที่เรากาลังเจอตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่ามันก็อย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นโดยสุย่มเปล่าก็เอามาใช้เป็นประโยชน์เอาวิชาความรู้ที่เราได้เรียนมาที่เราได้สรุปศึกษามานี่เอามาใช้เช่นว่าเออเราจะยอมรับความหนาวได้อย่างไรนะทำใจยอมรับความหนาวไม่บน่นไม่ตีโพยตีภาย จะทำงี้เราก็ต้องมีสตินะมีสติรู้ทันอารมณ์มีสติรู้ทันความคิดที่มันบ่นที่โวยวายทำไมต้องมาหนาวช่วงที่เรามาที่นี่ด้วยนะนะว่าจะมาพักผ่อนสักหน่อยนี่กลับมาเจอหนาวทำไมต้องมาหนาวตอนนี้ทำไมไม่หนาวอาทิตย์ที่แล้วหรือไม่ไม่หนาวอาทิตย์หน้านะทำไมต้องมาหนาวตอนที่เรามาพอดีนะ ใจมันบ่นแล้วแล้วทำไมเราต้องมาปฏิบัติธรรมในช่วงนี้นี่เนี่ย น, นี่มันแสดงการถึงใจที่ไม่ยอมรับใจที่โวยวายตีโพตีายซึ่งมันทำให้เป็นการเพิ่มความทุกข์ให้กับเราทุกกายไม่พอยังทุกใจเข้าไปอีกเพราะการตีโพตีพายอันนี้ก็ต้องมีสติรู้ฝึกสติรู้ทันเห็นไหมใจที่มันโวยวาย บนวอยวายอ่ารู้ทันพอรู้แล้วมันก็วางเองคำว่าปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยเราก็พูดแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าทำอย่างไรหรือว่าหมายความว่าอย่างไรปล่อยวางมันเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีสติเห็นใจที่มันบน่นวอยวายพอพอรู้เข้ามันก็หยุดโวยหยุดวาย วางทันทีนะลองสังเกตดูให้เรารู้ทันอันนี้เป็นแบบฝึกหัดง่ายๆนะฝึกจากของจริงฝึกจากสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ต้องไปรอฝึกจากที่ไหนบางทีเรารู้ว่าควรทําอย่างนน้นควรทําอย่างนี้แต่ว่าพอเกิดปัญหาเราลืมที่จะเอาสิ่งที่เราเรียนรู้นี่มาใช้ แต่นี่แหละคือโอกาสที่เราจะได้ใช้ใช้ความรู้ใช้สิ่งที่เราได้ร่ำเรียนได้ได้ศึกษามาเอามาใช้ฝึกว่าใจเราจะยอมรับกับความหนาวได้อย่างไรฝึกให้มีสติรับมือความหนาวหรือว่าฝึกให้รู้จักมองแง่บวกอมองแง่บวกนี่เราจะมองอย่างไรนะ หนาวก็ดีกว่าร้อนนะอนนมองนี้ก็ได้เพราะว่าถ้ามันร้อนนี่มันร้อนจริงๆบางทีนอนไม่หลับเลยหรือว่านี่เรายังดีนะเนนที่อยู่บึงรหานี่หนักกับเราเยอะอสงสารลูกเนรอย่างเลยนะตอนนี้นผ้าห่มก็ไม่ได้เตรียมไปเยอะซะด้วยไอ้พวกเราสบายกว่ กว่าเข้าเยอะเลยนะเราเป็นผู้ใหญ่เรานอนในกุฏิที่มุงบังอย่างดีนี่เด็กๆ เ, เ, เนร เ, เขาต้องไปนอนเต็นท์กันรวมทั้งชีพรามด้วยอันนี่ก็มองอย่างนี้ได้หรือมองแง่ดีว่าเออนี่เขามาสอนธรรมะธรรมชาตินี่อากาศนี่สอนธรรมะกับเราเขาเป็นครูเขาสอนเราถึงความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนนะ นี่เราลองให้เรารู้จักใช้นะใช้วิชาความรู้เนี่ยมากับสิ่งต่างๆที่เราที่เราเจอเวลาเจอรถติดเวลาเจอคำต่อว่าคำวิจารณ์นะก็อย่าไปมัวโกรธอย่าไปงงมัวงุดหง็ดนะให้ตั้งสติแล้วก็เอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้นี่มาใช้ในความทุกข์เนี่ยหรือว่า สิ่งที่ไม่พึงพอใจนี่มันมันมีข้อดีทั้งนั้นนะแม้แต่ความเจ็บป่วยถ้าเรามองให้ดีหรือรู้จักมองก็มีประโยชน์มีนักศึกษาคนหนึ่งอายุแค่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดวันดีคืนทีก็พ่อตัวเองนี่เป็นมะเร็งเม็ดเลือด มเร็งเม็ดเรือนี่มันก็ลิวคเมียนี่ก็ถึงตายนะก็ช่วงแลนี้ก็ทุกมากเลยแต่ต่อหลังก็ทำใจได้แล้วพอเขามองพอเราเขาทบทวนชีวิตหลังจากที่เป็นลิวคีเมียก็พบว่ามันก็ดีเหมือนกันนะมันนำพาสิ่งดีๆมาให้กับชีวิตของเขาหลายอย่าง เสร็จแล้วเขาก็แจกแจงว่ามีอะไรดีบ้างเกิดขึ้นกับชื่อของเขาอันที่สองก็คือทําให้เขาได้ทราบซึงความรักของพ่อแม่ตอนที่ไม่ป่วยเนี่ยก็ไม่เคยรู้สึกเลยว่าความรักของพ่อแม่นี้ยิ่งใหญ่แค่ไหนเพราะว่าไม่เคอยได้ใกล้ชิดกันเท่าไหร่พ่อก็พ่อแม่ก็ไปทํางานลูกก็ไปเรียนหนังสือ นา น, นานจะเจอกันทีห่างเหินก็พ่อแม่มีแต่ให้เงินใช้แต่ไม่ได้มีเวลาที่จะให้กับลูกแต่พอลูกป่วยพ่อแม่ก็มาให้เวลาดูแลใจใสก็ทราบซึ้งความรักของพ่อแม่บางทีคนเราไม่ป่วยนี่ก็ไม่ทราบซึ้งนะถึงความรักของเพื่อนถึงความรักของคนรักหรือความรักของพ่อแม่ แต่ว่าเวลาที่เจ็บป่วยเนี่ยมันเป็นโอกาสดีที่จะได้เห็นถึงความรักของคนที่อยู่รอบข้างเราโดยเฉพาะพ่ อ, พ อ, พอแม่อันนี้นักศึกษาคนนี้เขาก็เห็นซาบซึ้งมากอันที่สองเขาบอกว่าทาไม่ได้เห็นคุณค่าของพุทธศาสนาเพราะว่าพ อ, พอป่วยแล้วก็ต้องนอนโรงพยาบาลมีเวลาว่างก็มีคนเอาหนังสือมาให้หนังสือธรรมะมาให้ก็ได้มีเวลาอ่าน ไม่เคยนึกเลยว่าพุทธศาสนานี่จะสอนสิ่งที่มีคุณค่ายอย่างนี้พอเคยนึกว่าพุทธศาสนานี่ก็เป็นเรื่องของพิธีกรรมนะปอแต่พอได้ป่วยแล้วก็แทนที่จะไปเที่ยวก็ต้องนั่งนอนอยู่ในโรงพยาบาลก็เลยได้ได้เห็นได้ศึกษาที่สางเขบอกว่ามันทําให้เขาได้ได้ใคร่ครวญกับชีวิตมากขึ้น แต่ก่อนนี่ก็ทําอะไรไปตามอารมณ์ไม่ได้ยั NO ้งคิดอะไรแอะไม่ได้คิดอะไรเขาบอกว่าถ้าไม่ป่วยเนี่ยนะเขาก็จะเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปคือนอนหอพักตื่นบ่ายสามก็ตื่นบ่ายสามนะตื่นบ่ายสามไปเรียนหนังสือชั่วโมงสองชั่วโมงหรือว่าสองสามวิชาแล้วก็ตอนเย็นก็ไปเที่ยวกับเพื่อนเที่ยวห้าง กินเล่านอนดึกนะกว่าจะนอนก็ตีสองตีสามตื่นมาบ่ายสามเป็นชีวิตที่ไม่มีคุณค่านะไม่ได้ไม่ไม่ได้คิดถึงคนอื่นเลยนะแต่พอเจ็บป่วยเขามันทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะเป็นแง่ดีเป็นข้อดีของเขาเป็นข้อดีของความเจ็บป่วย ทุกอย่างนะถ้าเรามองให้เป็นก็เห็นนะตกงานก็มีประโยชน์อย่ามีคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากนะชื่อสตีฟจ็อบส์นี่พวกเราคงรู้จักนะเขาผลิตเป็นคนคิดไอพอ i ไอแพดไอโฟนนี่แต่ก่อนนั้นเขาเคยดังมาก่อนจากการที่เขาตั้งบริษัท Apple ผลิตคอมพิวเตอร์เมือ่อสักสาปีที่แล้วแล้วก็ ยี่ห้อนี้ก็โด่งดังมากตอนหลังก็บริษัทเล็กๆบริษัทนี้ก็กลายเป็นบริษัทมหาชนเขาก็เป็นซีอวันดีคืนดีก็ถูกไล่ออกนะถูกกรรมการไล่ออกเสียความรู้สึกมากบริษัทที่ฉันตั้งสร้างมากับมือสุดท้ายกับถูกถีบออกมาจากบริษัทนั้นก็เสียความรู้สึกแย่ yeah. แต่หลังจากผ่านไปห้าปีเขาพบว่าโอ้มันเป็นเขาพูดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของเขานะที่ทาให้เาการที่เขาถูกไล่ออกจากบริษัทเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเพราะว่าทำให้เขาได้ไปบุกเบิกงานใหม่ไปบุกเบิกสิ่งใหม่เขาก็ไปทาไปตั้งบริษัททำแอนิเมชั่นบริษัทพิกซาทำการ์ตูนด้วยคอมพิวเตอร์โด่งดังไปทั่วโลก การ์ตูนที่มีชื่อนี่ก็ฝีมือของบริษัทเขาก็เยอะนะตอนหลังดังมากจนทั้ง Apple ทัต้องเลิกตัวกลับไปแล้วเขาก็เลยเอาไ อ, า เ, อาเดียใหม่ๆนี่มาสร้างสร้าง iPod เสร็จแล้วก็ iPhone แล้วก็ iPad นะมีชื่อมากอันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากการที่เขาถูกไล่ออกทำให้มีเวลามีเวลาที่จะหลุดพ้นจากงานจำเจ พ็อกว่าเขายัางอยู่ที่บริษัทเดิมนี่มันหนักใจนะทําไงถึงจะทําให้มีอะไรใหม่ๆออกมาจากจากให้มันใหม่จากเดิมคนเราพอทําความสำเร็จจุดหนึ่งแล้วมันก็อิ่มตัวแล้วคิดอะไรไม่ค่อยออกที่ที่จะดีกว่าเดิมก็กลายเป็นภาระหนักอกหนักใจแต่พอออกจากบริษัทนั้นได้โอ้มันมีสระที่จะคิดอะไรใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ แล้วก็ทําให้เขามีไอเดียแปลกๆเยอะเสร็จแล้วพอเขากลับไปบริษัทเดิมเขาก็สร้างอะไรต่ออะไรขึ้นมาใหม่ตอนนี้ก็ดังมากนะอันนี้ก็เรียกว่ามันก็เป็นสิ่งดีอย่างหนึ่งเั้นเวลาเราเจอความทุกข์เนี่ยเจอเหตุที่ไม่คาดฝันไม่ว่าจะเกี่ยวเรื่องทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะไปเกี่ยวกับเรื่องงานการ หรือเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นธรรมดานาะที่คนเราจะต้องเสียใจแต่ว่าอย่าเสียใจนานหรือว่าอย่ากโกรธนานอย่าเศร้าซ้อยนานให้ตั้งสติแล้วก็มองมันให้ให้ให้ดีใช้ปัญญาพิจารณาก็อาจจะค้นพบว่าเออมันก็มีข้อดีเหมือนกันนะบางทีวันนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นแต่ว่าวันหน้านี่จะเห็นชัด เนี่ยเราก็ต้องมีมีมีบทเรียนแบบนี้บ้างนะงั้นถ้าเราถ้าเราถ้าเราเข้าใจนแล้วก็หักเอามาใช้เอาแนวคิดอย่างที่ว่าเนี่ยเรื่องการมีสติการปล่อยวางนะการรู้จักมองในแง่บวก หรือว่าการรู้จักชื่นชมสิ่งที่มีเนี่ยเอามาใช้กับชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่เรื่องที่ไม่พึงพอใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นไปร้านอาหารแล้วสั่งอาหารแล้วมันไม่ตรงตามที่เราสั่งหรือว่านั่งรถจะรีบไปที่ทำงานปราะว่ารถติดหรือว่าเกิดเจ็บเกิดป่วย ให้พวกนี้นี่มันเป็นการบ้านถือว่าเป็นโจทย์ที่ฝึกเราได้ฝึกให้เราลองใช้ธรรมะเนี่ยต่างๆนี่มาใช้เราจะมีสติเวลาเจอเหตุไม่คาดฝันเจอเหตุที่ไม่ถูกใจได้อย่างไร เ, เวลารถติดนี่เราจะมีสติรักษาใจให้สงบเย็นได้อย่างไรเหมือนอย่างที่เราควรจะฝึกตอนนี้อากาศหนาว เราจะใช้สติอย่างไรใช้สติรู้ทันไอความใจที่บน่นวอยวายหรือว่าใช้สติดูความหนาวดูกายที่หนาวโดยที่ไม่ไปเอาใจไปปักอยู่ตรงความหนาวเวลาหนาวเนี่ยนะถ้าเผลอเมื่อไหร่นะจิตมันก็จะไปปักอยู่ตรงไปยึดติดอยู่ตรงความหนาวเนี่ยนะเรียกว่าทุกขวเวทนา ไอ้ความหนาวที่ทำให้เราไม่ทำให้เราเป็นทุกข์นี่เรียกทุกขเวทนาใจมันจะไปปักอยู่ตรงนั้นแหละซึ่งทำให้เรามีความทุกข์มากขึ้นเหมือนกับเวลาเราปวดหัวปวดหัวนี่เราเราไม่ค่อยมีสตินะเราถึงปวดปวดทั้งหัวปวดทั้งใจนะเวลาปวดหัวนี่คนส่วนใหญ่นี่ไม่ได้แค่ปวดหัวนะใจมันก็ปวดด้วยนะ เพราะว่าใจนี้ไม่ยอมรับพยายามผลักสายความปวดเห็นความปวดเป็นศัตรูก็พยายามผลักพยายามกำจัดมันแต่พอกำจัดไม่ได้มันยังปวดอยู่ก็เกิดความไม่พอใจเกิดเกิดโทสะโทสานี่มันมาหลายรูปแบบเช่นหงุดหงิดไม่พอใจนี่เรียกโทสะไอ้โทสานี่แหละที่มันทำให้เราปวดหรือทุกข์ใจด้วยปวดหัวยังได้ไม่พอปวดใจทุกข์ใจนะเพราะว่า ไม่มีสติใจมันไปปักอยู่ที่ความปวดแล้วก็ยิ่งปวดหนักเข้าไปใหญ่พอยิ่งปวดหนักก็ยิ่งอยากจะผลักสายมันออกไปพอผลักสายมันไม่ไปมันก็ยิ่งทำให้เกิดความไม่พอใจนแต่ถ้าเราทำใจยอมรับมันได้นะแล้วก็มีสติดูแค่รู้มันเฉยๆหรือแค่รู้ความปวดมันก็แค่ปวดกายนะแต่ใจไม่ปวดลองแยกกันให้ดีนะ คนเราเนี่ยมักจะไม่ค่อยปล่อยให้ปวดแต่กายนะแต่ใจก็ปวดด้วยเพราะไม่มีสติในธรรมนองเดียวกันเวลาของหายเนี่ยเราไม่ใช่หายแต่ของนะใจก็หายด้วยของมันเสียไปแล้วแทนที่จะมันเสียแต่ขอ ง, ของก็ใจก็เสียด้วย เอาแต่คิดเอาแต่ครุ่นกับถึงของที่เสียไปก็ทำให้ใจนี้เป็นทุกข์ขาดทุนสองต่อเงินหายถูกเขาโกงไปแทนที่จะหายแต่เงินใจก็ทุกข์ด้วยกินไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะอันนี้เรียกว่าทุกข์ซ้ำสองทุกข์อย่างแรกนี่เกิดจากคนอื่นเช่นคนหนึ่งเขามาเอาเงินเราไปเขามาโกงเงินเราไป แต่ว่าไอ้ทุกอีกอันนึงเนี่ยเกิดจากใจของเราก็คือเฝ้าคิดข่าครวนนึกถึงของที่หายก็เกิดความโกรธคนที่เอาไปแล้วก็เสียดายเข้าของเสียดายเงินที่ถูกขโมยไปเรียกว่าใจเสียหรือเสียใจไอ้ใจเสียเสียใจนี่มันเกิดจากเราเองนะเราทาเองเสียเงินนี่คนอื่นทำคนอื่นเป็นต้นเหตุแต่เสียใจนี่ เกิดจากเราไม่มีใครทำให้เราเสียใจได้นะนอกจากใจเราเองคนอื่นก็ททำได้แต่เอาของเราไปขโมยของเราไปนะหรือแม้แต่ทำร้ายร่างกายเราเขาก็ทำได้แค่นั้นแต่ไม่สามารถจะทำให้ใจเราทุกข์ได้แต่ที่เราทุกข์ใจก็เพราะใจของเรานั่นแหละนะที่มันไม่ไม่มีสติมีหลวงพ่อท่านหนึ่งหลวงพ่อประสิทธทวะโลนะวัด ทำใหญ่ปิกแม่ชีหลายท่านก็มาจากวัดนี้กอสีชังเนี่ยขาวหนึ่งนี่ท่านโดนโดนพระที่สติสั่นเฟือนตีเอาฟาดเอานะตอนนั้นท่านก็คงไม่ทันตั้งตัวหมายถึงว่ก็เลยถูกเ้าตีแต่ขณะที่ถูกตีเนี่ยนะจนกระทั่งเลือดสาดนี่ใจท่านไม่ทุกข์เลยนะนะท่านกับ ท่านก็บอกว่าเออ ER ตีได้ก็ตีไปตีได้ก็ตีไปท่านก็ปล่อยให้เขาตีได้นะอาจจะเป็นเพราะว่าท่านอาจจะรู้ว่าเป็นเพราะเป็นการใช้กรรมด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ท่านก็ปล่อยเ้าตียนก็ะทั่งมีคนมาห้ามเพราะว่าเลือดสาดแต่ท่านไม่ทุกข์เลยนะบอกตีได้ก็ตีไปนีก็ดีเหมือนกันในสังขารนี้นะมันมันมันเป็นทุกข์เหลือเกินก็ตีได้ก็ตีไป นี่เรียกว่าทุกข์แต่กายนะแต่ว่าใจท่านไม่ทุกข์มันทำได้นะอาจารย์พุทธทานีท่านสมัยหนุ่มๆ น, นี่ท่านซ่อมสร้างศาลาเป็นท่านเป็นช่างไม้เองเวลาตอกตะปูนี่คอนนี่ก็บางทีก็พลาดไปโดนนิ้วนะพอโดนนิ้วท่านก็ไม่ใช่แค่ปวดเนี่ยท่านก็ร้องด้วยท่านก็ร้อง ตอนหลังท่านก็ฝึกดูว่าเออทำยังไงถึงจะถึงจะถึงจะโดนตะปูเออถึงจะโดนค้อนตีมือตีนิ้วแต่ว่าเจ็บแต่ว่าไม่ไม่ร้องไม่ทุกข์ท่านก็ทำได้นะทำอย่างท่านว่าพอตีตะปูผ้ามาโดนตีตีค้อนผ้ามาโดนโดนนิ้วนี่ท่านหัวเลาะได้ถามว่าเจ็บไมมเจ็บ แต่นั่นเป็นของกายนะแต่ว่าใจนี่ไม่เจ็บด้วยหัวเราะได้นะอันนี้เนี่ ย, ยงถึงบอกว่าคนอื่นเนี่ยทำได้อย่างมากก็ขโมยของของเราหรืออย่างมากก็ทำร้ายทำให้เราเจ็บทำร้ายร่างกายของเราแต่เขาไม่สามารถทำให้เราเสียใจไม่สามารถทำให้เราทุกข์ใจได้มีคนเดียวเท่า น, นั้นมีสิ่งเดียวเท่า น, นั้นที่ทำให้เราทุกข์ใจได้ก็คือใจของเรา ใจที่ไม่ได้ฝึกฝนนะแต่ถ้าฝึกฝนดีนะมีธรรมะมีสติมีปัญญานะก็ไม่มีใครที่จะทำเราก็ไม่มีไม่มีวันทุกนะไม่มีใครจะทำให้เราทุกได้อันนี้ก็ให้เราพิจารณาไว้เวลาเราถูกเอาเปรียบนะถูกกินแรงเขาก็เพียงแต่ทำให้เราเหนื่อย เหนื่อยกายมากขึ้นท่านนั้นแต่เขาไม่สามารถทำให้เราทุกข์ใจได้มีคนที่ทำให้เราทุกข์ใจได้คือเราเคยมีเคยมีรายการทีวีนะรายการทีวีของช่องทีวีไทยนี่ก็าเอาเด็กสามคนมามาออกรายการเขาก็สลับกันอยู่เรื่อยๆนะทุกอาทิตย์รายการพลมเมืองเด็กเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว เอาเด็ก3าคนมาทำกิจกรรมแล้วเขาก็ถ่ายถ่ายทำาค่เรลิทตี้โชแล้วก็ออกรายการโทรทัศน์ทุกวอาทิตย์เพื่อดูว่าเด็กเขาแก้ปัญหายอย่างไรก็มีคราวหนึ่งเด็กสามคนก็ได้รับมอบหมายให้ขนของคือรถไฟรถไฟมันก็มีเวลาออกแน่นอนก็ต้องรีบขนแต่กลัวว่าบ่ายวันนั้นนี่สมจิตจงจอหอนเอกชกโอลิมปิกเลนททองโอลิมปิกเขาขึ้นชก เด็ก2คนอายุ1 2บ1เนี่ยนะเป็นแฟนสมจิต ก, ก็เลยทิ้งงานไปดูโทรทัศน์ในร้านกาแฟาข้างๆใกล้ๆสถานีก็ปล่อยให้เพื่อนเป็นผู้หญิงเนี่ยนะอายุก็ไล่ๆกัน 11-12 ขนของของึ้นรถไฟคนเดียวก็วตั้งใจขนนะพิธีกรก็เลยไปถามว่าคิดยังไงที่เพื่อนก็ทิ้งให้เราทำงานคนเดียวเด็กเขาก็ตอบว่าก็เห็นใจเขาเาเป็นแฟนสมจิต แล้วเขาจะเขาก็ก็ไม่ว่าอะไรนะหนูก็ทําของหนูไปพิธีกรก็ยังไม่พอใจคําตอบก็เลยถามแหย่ก็พี่ว่าแล้วหนูไม่ไม่โกรธหรือไม่คิดจะด่าว่าเขาเหรอถามเด็กนะเด็กตอบดี<อ>เด็กบอกว่าหนูขนของของึ้นรถไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวถ้าหนูไปโกรธไปด่าว่าเขาด้วยหนูก็เหนื่อยสองอย่างนะเป็นเรานี่เราจะเหนื่อยกี่อย่างนะ ถ้าเราเจอแบบนี้เราจะเหนื่อยอย่างเดียวหรือเปล่าเดี็กเขาฉลาดนะเขาบอกว่าทําไมต้องเหนื่อยสองอย่างเหนื่อยอย่างเดียวก็พอคือเหนื่อยกายแต่เหนื่อยใจนี่ฉันไม่ยอมเหนื่อยด้วยเหนื่อยแต่กายแต่ใจไม่ทุกนนะี่เราเลือกได้นะเเหนนื่่่่อยยแแตตกกาใจไมทุี่ยเด็กคนนี้เขาเลือกแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้เขาเลือกแล้วว่าฉันจะเหนื่อยแต่กายฉันแต่ฉันไม่เหนื่อยใจฉันไม่ทุกใจ ก็คือฉันไม่ไปด่าว่าเขาเพราะว่าไปด่าว่าเขาฉันก็ทุกข์ใจเห็นหม้ว่าคนอื่นนี่ก็ทำได้อย่างมากเขาแค่เขาแค่ทำให้เราเหนื่อยกายนะแต่ว่าเหนื่อยใจนี่ไม่มีใครทำให้มีแต่เรานั่นแหละที่ทำของเราเองถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเนี่ยเราก็จะทำร้ายจิตใจของเรานะให้เราฉลาดนะในการที่จะ รักษาใจไม่ให้ไปทำร้ายจิตใจไม่ไม่ทำร้ายตัวเองนะแล้วเราก็คำนี้ก็ภู้กัะทุนนี้กระพรพร้อมกัน